ใหนน้ลสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกชะมีสามพี่น้องพระบรมศาสดา ได้ทรงจำพรรษาณป่าอิสิปัตนะมรุกทายวันนั้นครั้นออกพรรษาแล้วไม้อัตถกาถาแห่งหนึ่งแสดงว่าได้เสด็จจาริกจากอิสิปัตนะมรุกทายวันในวันปาดิบบทคือวันรามหนึ่งค่ำเสด็จย้อนไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นตำบลที่ตรัสรู้มุ่งจะเสด็จไปโปรดชาดินหนึ่งพันคนซึ่งตั้งสำนักอยู่ในตำบล น, นั้น ในระหว่างที่เสด็จออกจากอิกสิปตนะมริกทายวันได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฟ้ายแห่งหนึ่งก็ได้ทรงพบกับพัทธวัชคิยาคุมารมีจานวนสาสิบคนซึ่งมาเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภรรยาของตนแต่สหายคนหนึ่งไม่มีภรรยาก็นำเอาหญิงโสเพณีมาเมื่อเผลอหญิงโสเพณีก็ลักเอาห่อสิ่งของหนีไปก็พากันเที่ยวตามหา มาพบพระศาสดากราบทูลถามว่าได้พบหญิงนั้นบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสถามเรื่องกุมารเหล่านั้นก็กราบทูลเล่าถวายจนถึงเที่ยวตามหาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะสแสวงหาสตรีดีหรือจะสแสวงหาตนดีกุมารเหล่านั้นกราบทูลว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอุนุปุพภะพิกถาและอริยสัจ กุมาเหล่านั้นฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงประธานอนุญาตให้อุปสมบทแล้วส่งไปประกาศศาสนาส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวราที่จะดินทั้งหนึ่งพันคนนั้นอาศัยอยู่จะดินเหล่านั้นมีหัวหน้าอยู่สามคนชื่ออุรุเวนกัสปะคนหนึ่งมีบริวารห้าร้อยคน ตั้งสำนักอยู่ตำบลหนึ่งน้องคนที่สองชื่อว่าณทีกัสปะมีบริวารสามร้อยคนตั้งอาสมพำนักอยู่ถัดไปอีกแห่งหนึ่งน้องคนสึดท้องชื่อว่าขยากัสปะมีบริวารสองอคนตั้งสำนักอยู่แห่งหนึ่งในที่ถัดไปพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสำนักของอุรุเวนกัสปะก่อนได้ตรัสขออาศัยพักอุรุเวนกัสปะก็ยอมให้พัก พระองค์ได้ทรงทรมานอุรุเวนกัสปะนั้นด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้อุรุเวนกัสปะหายจากความสําคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นความสําคัญผิดตามเรื่องแสดงว่าในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้วิธีอิทธิปาฏิหารคือแสดงฤทธิ์ต่างๆอาเทศนาปาฏิหารแสดงวิธีดักใจต่างๆจนอุรุเวนกัสปะกลายจากความสําคัญผิดนั้น และทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ไปบอกบริวารเสียก่อนอุลุเวนกัสปะก็บอกบริวารบริวารก็บอกว่าเห็นชอบก็พร้อมกันลอยเครื่องสําหรับชดินเช่นเครื่องที่ทําผมเป็นเชิงหาบคานซึ่งเป็นฉดินบริขารลอยน้ําทิ้งเสียหมดแล้วก็ทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงอน ญ, ญาตต่อมานาทีกัสปะกับบริวาร เห็นชดินบริขารของพี่ชายกับบริวารลอยน้ำมาก็คิดว่าจะเกิดอันตรายแก่พี่และคณะก็มาพร้อมกันเห็นพี่และคณะอุปสมบทเป็นภิกษุก็พากันลอยบริหารชดินของตนทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตฝ่ายขยากัสปะและบริวารก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงเป็นอันว่าชดินรวมหนึ่งพันคนซึ่งมีหัวหน้าสามคน ก็ได้มาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาก็มาถึงวาระที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงอนุศาสนีปาฏิหาริย์คืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ชนินเหล่านั้นได้บรรลุธรรมสืบต่อไปจึงได้ทรงนำไปยังตำบนขยาศีสะระใกล้แม่น้ำขยาแล้วก็ตรัสเทศนาที่พระคำถารถจนาจารย์ได้ขนานนามว่าอาทิตตปริ ย, ายาสู คือเป็นพระสูตรที่แสดงบรรยายถึงสิ่งที่เป็นของร้อนอาทิตตปริยายสูตรในพระสูตรนี้ในตอนแรกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคืออะไรบ้างก็ได้ทรงยกขึ้นแสดงเป็นหมวดหมวดดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งจกักขูรูปที่เห็นได้ด้วยจกักษุจักขูวิญญาณ วิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปทางจักรสุจักขุสัมผัสสัมผัสอาศัยจักรสุจักขุสัมผัสสัชชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสอาศัยจักรสุจหมวดที่สองโสตะคือหูศัทธาคือเสียงโสวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะคือหูโสสัมผัสสัมผัสอาศัยโสตะคือหูโสสัมผัสสัชชาเวทนา เวทนาเกิดเพราะสัมผัสอาศัยโสตะคือหูมูที่สาคานะคือ จ, จมูกคันทักคือกลิ่นคานาวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกคานะ ส, สัมผัสสัมผัสอาศัยจมูกคานะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจมูกมูที่สชิวหาคือลิน้นรสะคือรสชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยลิน้น ชิวหา ส, สัมผัสสัมผัสอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยลิ้นหมวดที่หกายยกคือกายโพธพพระคือสิ่งที่กายถูกต้องกายวิญญาณวิญญาณอาศัยกายกายสัมผัสสัมผัสอาศัยกายกายสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายหมวดที่หก มโนหรือมณะคือใจธรรมะคือเรื่องมโนวิญญาณมโนอาศัยมณะคือใจมโนสัมผัสสัมผัสอาศัยมณะคือใจมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมณะคือใจเหล่านี้เป็นของร้อนตอนที่สองได้ทรงแสดงว่าร้อนเพราะอะไรอะไรมาเผาให้ไหม้ให้ร้อนก็ทรงชี้ว่า สิ่งทั้งปวงนี้ร้อนเพราะไฟคือราคะความติดความยินดีความกำหนัดร้อนเพราะไฟคือโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองร้อนเพราะไฟคือโมหะความหลงร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความตายร้อนเพราะโศกะคือความแห้งใจปริเทวะความเร่ำไรรำพันหรือความระทมใจทุกข์ ความเจ็บไข้หรือความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจอุปายาสความขับแขนงใจฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าเป็นของร้อนตอนที่สามได้ทรงแสดงผลของความรู้ความเห็นต่อไปว่าเมื่ออริยสาวก ค, คือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้วอย่างนี้คือว่าได้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ย่อมนายในสิ่งทั้งปวงนั้น เมื่อนายก็สิ้นกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัด ก, ก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติคือหลุดพ้นก็มียาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิริที่ควรทำได้ทาแล้วไม่มีกิริอื่นที่พึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกท่านแสดงไว้ว่าเมื่อภิกษุทั้งหนึ่งพันรูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนานี้ ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ทั้งหนึ่งันรูปในพระสูตรนี้ได้จำแนกแสดงส่วนต่างๆภายในกายนี้ให้ละเอียดมากขึ้นอีกในธรรมจักกัปวัตนนสูตรและในอนัตตะลกะนสูตรที่แสดงแก่พระปัญจวคีได้ยกเบญจขันขึ้นแสดงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ยังไม่ได้จำแนก ถึงวิถีคือทางที่เกิดขึ้นตามลําดับในพระสูตรนี้ได้แสดงความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันเหล่านั้นแต่แสดงถึงเพียงเวทนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ควรทําความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเมื่อติดทางพระพุทธศาสนานั้นตามที่พิจารณาจากพระสูตรต่างๆพอสรุปลงได้ว่าแสดงบุคคลว่าประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่ง กายก็หมายถึงรูปกายจิตก็หมายถึงธรรมชาตินิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คิดนึกและมีหน้าที่รู้เพราะเป็นธาตุรู้การแสดงปฏิบัติธรรมโดยตรงก็มุ่งอบรมจิตเป็นประการสำคัญแม้พระบรมศาสดาเองเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพบทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าได้ทรงพบทางปฏิบัติจิตจึงได้ทรงเริ่มปฏิบัติอบรมจิต ในที่สุดก็ได้ตัดรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าจิตตามทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายคือว่าจิตไม่ใช่รูปดังมีในพระพุทธภาษิตที่แสดงว่าอสรีระไม่มีสรีระคือไม่มีรูปร่างแต่ว่าคุหาสายะมีคูหา อันหมายถึงกายอันเป็นที่อาศัยเมื่อบุคคลมีจิตและกายประกอบกันอยู่ชีวิตจึงดําเนินอยู่เป็นไปอยู่แต่ว่าเมื่อจิตพรากออกไปจากกายหรือว่ากายแตกสลายเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตไม่ได้ชีวะก็สิ้นไปสําหรับเรื่องเจตนี้จะพึงพิสูจน์ได้ตามที่แสดงไว้ทางพระพุทธศาสนายอย่างไรนั้นจะขอยกไว้ก่อนจะย้อนกล่าวถึง วิถีจิตต่อไปจิตแม้มีหน้าที่คิดมีหน้าที่รู้เป็นท่ารู้ดังกล่าวก็จริงแต่การที่จะออกมารู้อะไรได้นั้นจำต้องอาศัยกายคือรู้ได้ทางอายตนะหรือทางทวารกล่าวคือต้องอาศัยออกมารู้รูปทางจักขุประสาทคือตารู้เสียงทางโสตประสาทคือหูรู้กลิ่นทางคานะประสาทคือจมูก รู้รสทางชิวหาปราสาทคือลิ้นรู้ผดทัพพระคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายปราสาทคือกายรู้ธรรมะคือเรื่องทางมรณะที่แปลว่าใจเพราะฉะนั้นจกักระตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมรณะใจจึงเป็นถาวรคือเป็นประตูสําหรับที่จะให้จิตรู้รูปรู้เสียง เป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าไม่มีทางทั้งหกนี้จิตก็เหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่างออกมารู้อะไรไม่ได้ทางรู้ของจิตทั้งหดังกล่าวมานั้นสําหรับจกักขูปประสาสตรประสาท์าณะประสาส์ชิวหาประสาท์กายประสาส์ก็เป็นที่เข้าใจได้ง่ายแต่มะนะคือทางที่หกนี้ควรทําความเข้าใจเป็นพิเศษมณะนะ แปลกันว่าใจแต่ตามศัพท์แปลว่ารู้มีหน้าที่สําหรับรู้ธรรมะธรรมะในที่นี้หมายความว่าเรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโหดทัพทะที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตแต่ก็มานึกถึงในปัจจุบันความนึกถึงในเรื่องในอดีตดังกล่าวนั้นไม่ได้อาศัยหูตาเดียวนั้นแต่คราวนี้ มานึกได้ด้วยอะไรสมมุติว่าไปเห็นรูปได้ยินเสียงมาเมื่อเช้านี้แต่ว่ามานั่งนึกถึงอยู่เดี๋ยวนี้นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนั้นนึกถึงด้วยอะไรเพราะไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูเมื่อเช้านี้ต่างหากต้องอาศัยตาอาศัยหูแต่ว่าการที่มานั่งนึกถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูคราวนี้ใช้อะไรอันนี้ ท่านจึงแสดงทางที่หคือมณะนึกถึงได้ด้วยมณะที่แปลว่าใจหรือแปลว่ารู้และธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องอดีตต่างๆดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงทวาวรซึ่งเป็นทางที่หคือมณะแต่ก็ไม่เรียกว่าประสาทมณะตามที่อธิบายมานี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวโรร ได้ทรงสนนิฐานว่าได้แก่มันสมองมณนะคือทางที่หกนี้ยังมีหน้าที่พิเศษอย่างหนึง่งที่แสดงไว้ในอัตฉริยอภิธรรมคือในขั้นบาลีนั้นได้แสดงว่าจักขู่คือตารู ป, ปะคือรูปกระทบกันก็เกิดจักขู่วิญญาณวิญญาณอาศัยจักสุขคือตาวิญญาณในที่นี้ก็อธิบายว่าความรู้สึกเห็นรูปโสตากือหู สัพทะคือเสียงกระทบกันก็เกิดโสวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงคานะคือจมูกคันทะคือกลิ่นกระทบกันก็เกิดคานะวิญญาณความรู้สึกสูดกลิ่นหรือได้กลิ่นชิวหาคือลิ้นรสะคือรสกระทบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณความรู้สึกได้รสทางลิ้นกายกับโหดทพะกระทบกันก็เกิดกายวิญญาณ ความรู้สึกทางกายมณะกับธรรมะกระทบกันก็เกิดเป็นมโนวิญญาณความรู้สึกทางมณะคือใจในบาลีแสดงอย่างนี้ดั่งบาลีในพระสูตรนี้คือวิญญาณมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อมีวิญญาณแล้วก็ต้องมีสัมผัสอันดับสองสัมผัสแปลว่าความกระทบกันก็มีหกเช่นเดียวกันแต่มีอธิบายว่าที่ชื่อว่าสัมผัสนั้นได้แก่ ความประชุมกันของจักรสุและรูปและจักขุวิญ ญ, ญาณจึงจะเรียกว่าจักขุสัมผัสความประชุมของโสตะหูสัพพะเสียงและโส ว, วิญญาณจึงจะเรียกว่าโสสัมผัสความประชุมกันของขานะจมูกคันทะกลิ่นและขานะวิญ ญ, ญาณจึงจะเป็นขานะสัมผัสความประชุมกันของชิวหารสะและชิวหาวิญ ญ, ญาณ จึงจะเป็นชิวหาสัมผัสความประชุมกันของกายโหดทัพทะและกายวิญญาณจึงกลายเป็นกายสัมผัสความประชุมกันของมรณะธรรมะและมโนวิญญาณจึงจะเป็นมโนสัมผัสอันดับสามก็เป็นเวทนาคือเมื่อเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างไม่เป็นสุขบ้างเวทนาก็มีหก ส uh ืบไปจากสัมผัสเรียกว่าจยากขุสัมผัสสัจฉาวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจากสูดโสสัมผัสสัจฉาวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยโสตะคานาสัมผัสสัจฉาวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยคานะชิวหาสัมผัสสัจฉาวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยชิวหากายสัมผัสสัจฉาวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายมนุษย์สัมผัสฉสาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมโะอันดับที่สี่ก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้ก็นับเป็นหคือรูปสัญญาความจำหมายในรูปสัทสัญญาความจำหมายในเสียงคันทสสัญญาความจำหมายในกลิ่นรสสัญญาความจำหมายในรส ผดทพษสัญญาความจำหมายในผดทพษาธรรมสัญญาความจำหมายในเรื่องอันดับ5ก็เป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปตามสัญญาเป็นกุศลคือเป็นส่วนดีบ้างเป็นอกุศลคือเป็นส่วนไม่ดีบ้างเป็นอัพยากฤตคือเป็นส่วนกลางๆงบ้างเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วิญญาณสัมผัสเวทนา สัญญาสังขานี้รวมเรียกว่านามธรรมคือเป็นส่วนนามนามแปลว่าน้อมหมายความว่าเป็นอาการที่จิตน้อมออกไปรู้อะไรต่างๆอาศัยกายคืออาศัยทวารหกดังกล่าวเมื่อนั้นเมื่อจิตน้อมออกไปรู้รู้ขั้นแรกก็เป็นวิญญาณรู้ขั้นที่สองก็เป็นสัมผัสรู้ขั้นที่สามก็เป็นเวทนา รู้ขั้นที่สี่ก็เป็นสัญญารู้ขั้นที่ห้าก็เป็นสังขารแต่ว่าในเบญจขันธ์ขันธ์ห้านั้นนับเพียงสี่คือว่าสัมผัสไม่นับยกออกเสียและนับรูปเข้าเป็นที่หนึ่งคือรูปกายแล้วก็เอาวิญญาณไปไว้ท้ายคือเรียนเสม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยลำดับที่เกิด วิญญาณต้องมาก่อนเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารทำไมท่านจึงเอาเรียงไว้ท้ายก็เพื่อให้เป็นวงกลมเพราะอาการที่กิดน้อมไปรู้ที่เรียกว่านามนั้นรู้ขั้นที่หนึ่งเป็นวิญญาณสัมผัสไม่นับขั้นที่สองก็เป็นเวทนาขั้นที่สามเป็นสัญญาขั้นที่สเป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด เมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยรู้ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปกับความคิดนั้นก็ย้อนมาเป็นวิญญาณอีกแล้วก็มาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็ย้อนมาเป็นวิญญาณเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารไปใหม่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นปัญจขันธ์ก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณจึงมีทางเกิดดังกล่าวมานี้แล้วเมื่อย่นย่อลงไปก็เป็นสองก็คือรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งรูปก็เป็นรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามกายแต่มากริยสั้นๆกันว่านามรูปเรียกว่านามเพราะเป็นอาการที่น้อมไปรู้ของจิตดังบรรยายมาแล้ววิถีจิต คือทางดาเนินของจิตที่ปรากฏเป็นนามธรรมอาศัยรูปรธรรมคือจิตอาศัยรูปแสดงอาการเป็นนามน้อมออกมารู้รูปรู้เสียงทีแรกก็น้อมออกมาเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วนกลับไปใหม่เป็นวงกลมจะอธิบายเกี่ยวแก่มนัต่อไปให้กล่าวถึงอายตนะภายในหรือทวารทั้งหก คู่กับอายตนาภายนอหกแล้วและได้กล่าวนามธรรมซึ่งเป็นวิถีจิตสื่อไปจากนั้นนั้นเป็นการแสดงอธิบายตามพระบาลีแต่ในอัตถกถาพระอภิธรรมได้อธิบายพิเศษเกี่ยวกับมณะซึ่งก็ได้อ่านแต่ยังไม่ได้อธิบายจึงจะมาจับอธิบายในตอนนี้โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพธ์สมเด็จพระญาสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกได้ใหม่ในตอนต่อไป